เพื่งพากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จได้โดยการตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจแล้วทำอะไรไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชก็เพราะพระองค์ตั้งพระทยัย มั่นมุ่งต่อพระโพธิญาณในที่สุดพระองค์ก็สำเร็จพระโพธิญาณจนได้ก็เพราะว่าพราะองค์ได้ตั้งพระไทยมั่นลงไปจริงจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ได้ทรมานพระองค์จนพร้อมยังเหลือแต่หนังติดกระดูกก็ยังไม่พบทางตัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณต่อเมื่อได้พบทางสายกลางไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนยานเกินไป ก็ จ, จึงได้ตัดสรู้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผู้เป็นสาวกนั้นจะพึ่งดำเนินตามถ้าเราไม่ะระลึกถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์เดี๋ยวก็หลงทางเดินบางคนก็ไปทำความเพียรมากเกินประมาณ มันก็ไม่ใช่หนทางบรรลุมรรคผลบางคนก็ย่อนยานเกินไปเห็นแต่แกหลับแกนอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินไม่คำนึงถึงความพอดีพอดีนั่นเรียวกว่ารู้อำนาจแก่ตั้หา <c oughs> เรื่องกรรมคุณแล้วนั่นจิตใจมันชอบนักชอบหนาเพราะมันเคยบริโภคกรรมคุณมานับชาติในทวนแล้วมันเคยยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆมานับชาติไม่ทวนเลยจิ ต, ตรวงเนี้เพราะฉะนั้น เกิดมาชาตินี้มันก็จึงมากำหนัดยินดีพอใจอยู่อย่างนั้นแม้จะยากลำบากอย่างไรมันก็สู้ทนอดกันพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้เป็นบาปมันก็ยอมรับบาปนั้นว่าแต่ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการ มาบริโภคใส้สอยบาปก็ยอมรับบาปเอานี่ไอสาเหตุที่มนุษย์เราจะไปตกนรกอบายภูมิก็เพราะความอยากในการมาคุณนี่แหละพูดกันง่ายๆมันอยากเกินขอบเขตไม่พอดีพอดี ถ้าหาว่ามันอยากพอดีอดนี่มันก็ไม่ได้ไปทำบาปกถ้าหากว่าอยากพอดีมันเราสมายเอาความอยากที่มันไม่มีโทษความอยากอันใดที่มันไม่มีโทษไม่เป็นบาปแล้วก็นำเนินไปตามความอยากอันนั้นมันก็ไม่ได้ รับผลแห่งบาปกรรมต่างๆนี่เรียว่าเราดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ว่าครื้หัดไม่ว่านักบวชเหมือนกันคารืหัดก็ดำเนินตามทางสายกลางของคฤรืหัดนักบวชก็เดินตามทางสายกลางของนักบวช้วก็ ชีวิตก็ดำเนินไปได้สะดวกสบายไม่ผิดทางเป็นครือหัดนี่ส่วนมากมันก็มักเกย่อนยานเป็นนักบวชนี่ก็เหมือนกันแหละแต่ว่าดูมันจะเคร่งกว่าครือหัดสักน้อยนึง ไอ้ผู้ที่ดำเนินทางสายกลางไม่ได้นันนะเป็นครือหัดนี่โยนยานมาก mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ให้ปฏิบัติตามให้สังวรระวังไม่ล่วงแต่ส่วนมากล่วง mm hmm. ทั้งที่ปฏิญญาณตน เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระองค์แล้วทั้งนั้นแหละผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่เราก็ไม่ยอมปฏิบัติตามพุทธวญนัินั้นๆผู้ที่ยินยอมปฏิบัติตามมีน้อยเต็มทีอย่างนี้แล้ว ความนับถือของคุณนั้นมันก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแะไม่คุ้มไม่ไม่สามารถจะคุ้มกันนรกอบายภูมิได้นี่แหละเดีย ว, ว่าคนเรามันไม่เดินตามทางสายกลางแล้วมันย่อมไปสู่ทุกข์แน่นอนเลยทีเดีย ว, วเป็นบนรรพชิตก็เหมือนกัน <c oughs> บางคนก็เคร่งเกินไปเคร่งเป็นบางอย่างแล้วเัญยานเป็นบางอย่างในส่วนใดที่ตนเคร่งถ้าเห็นผู้อื่นไม่เคร่งตามก็ยกโทษผู้อื่นไปหาว่าเป็นผู้ย่อนยานคันบางอย่างตนย่อนยาน ผู้อื่นเขาว่าเอาบ้างเอาก็ไม่พอใจก็แสดงอาการไม่พอใจต่างๆนาน า, นาไม่ไม่คิดไม่น้อมเข้าไปคิดไปสำรวจกลัวกาดูตนเองว่าตนเองนั้นบกพร่องอย่างผู้อื่นว่าหรือไม่เอาทิฏฐิเข้ามาบังจิตใจไว้ สำคัญว่าตนนั้นทำถูกเห็นถูกมู่นีรุ่นแต่มันไม่ใช่ทางสายกลางทั้งนั้นเลยถ้าผู้ดำเนินตามทางสายกลางแล้วก็หมายความว่าวางกิจของตนให้เป็นกลางลงไปเอาใครว่าดีมาตนก็พิจารณาใครสนเสนินว่าตนดีอย่างนี้ก็จะ ก็ไม่พึ่งไปชื่นชมยินดีกับผู้สนับสนุนนั้นก่อนต้องมาสำรวจตัวเองว่าตนเองนั้นดีจริงเหรือดีมากน้อยเพียงใดมีเพราะความดีเนี่ยมันมีขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงไม่ใช่ดีมีขั้นเดียวมา พิจารณาดูตัวเองตัวเองมีความดีในขั้นนี้คนสรรเสริญกับสรรเสริญอยู่ในขั้นนี้แต่ความดีขั้นสูงไปกว่านี้ตนยังไม่มีทํายังไม่ถึงนี่ก็จะพยายามทําความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกถ้าใครสํารวจดูตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ <c oughs> ถ้าใครติฉินอินทาว่าตนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็อย่าเพิ่งไปเสียใจอย่าเพิ่งไปโกรธแตต้องวินิจฉัยดูตัวเองสักก่อนบางทีตนอาจจะทำผิดหรือความประพฤติบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีแต่ว่าไม่รู้ตัว เมื่อผู้อื่นว่าเขาให้อย่างนี้มาคดมาทบทวนพิจารณาความประพฤติของตนที่ล่วงแล้วมามันก็อาจรู้ได้เออได้บกพร่องตรงนั้นจริงเช่นนี้ก็พยายามสังวรระวังต่อไปไม่ให้มันบกพร่องนี่ถ้าบุคคลผู้วางใจเป็นกลางลงแล้วนะมันก็สามารถทําตนให้บริสุทธิ์ได้ ไม่ไปยกโทษใครอันนี้นะว่าพุทธบริษัทควรดำเนินตามถ้าหากว่าไม่เดิมดำเนินตามอย่างที่ว่ามานี่นะมันก็ยังห่างไกลอยู่ต่อพระนิพพานมากนักถ้าเราดำเนินไปตามทางนี้นะมันก็เรียกว่ามันใกล้พระนิพพานเข้าไป หรือว่าเป็นทางตรงไปสู่พระนิพพานก็ว่าได้นั่นเนี่ยเราค่อพึงเข้าใจแก่นแห่งพระพุทธศาสนาเลยมันมีอย่างนี้แหละอันเกีเย l e d ตันหาต่างๆนานานันเหมือนกับเปลือกกัฟพีของศาสนา วันนี้ส่วนใดเป็นเปลือกเป็นกระพี้นะพระองค์เจ้าทรงสอนให้ถากมันออกเหมือนบุคคลต้องการไม้ไปสร้างเรือนถาวรเนี่ยใครเขาจะเอาไม้ทางเปลือกทางกระพี้ไปทำเขาต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกไปให้เหลือแต่แกน แล้วก็จะเอาไปทำเสาเรือนด้วยเอาไปเลื่อยแปลรูปออกไปเป็นเครื่องเรือนปลูกสร้างขึ้นไปก็จึงมั่นคงถาวรไปได้นานอันนี้ชั้นใดกายวาจาใจของคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ชำระกิเลสบาปธรรมอันเป็นส่วนชั่วส่วนไม่ดี ออกไปจากกิจใจนี่ชีวิตนี่ก็เป็นนั้นว่าไม่มั่นคงหมายความว่ามีความสุขไม่มั่นคงเดี๋ยวก็ได้สเสวยสุขเดี๋ยวก็ได้สเสวยทุกข์ครุกเค้ากันไปอยู่ยนั่นเนี่ยก็คนเราจะทำบาปตลอดไปก็ไม่ไม่ใช่ แล้วจะทำบุญตลอดไปก็ไม่ใช่อันปุถุชนคนธรรมดาสามัญนมีใครชักชวนทำบุญก็ทำไปถ้ามีใครชักชวนไปทำบาปก็ไปกับเขาจิตของปุถุชนไม่แน่นอนอย่างนี้ดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่ดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทร ง, สงแสดงไว้ ก็ทุกคนต้องสำรวจตัวเองทางสายกลางถ้าว่าตรงๆแล้วความเป็นผู้มีศีลสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมตาหูจมูกเ้นกายใจสำรวมกายวาจาไม่ให้ร่วงพุทธบัญญัติสำรวมตาเป็นต้น ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในอิทธารม์อารมณ์ที่น่ายินดีอนิถารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆนี่เรียกว่าสีสรสังวร น, นี่ก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำใจให้เป็นกลางนะต้องเข้าใจในในขั้นสิบ น, นี่มันก็ยังมีอยู่นั่นแหละความยินดียินร้าย แต่ว่าไม่ถึงกับไปทำบาปด้วยกายด้วยวาจาแต่ว่าเมื่อมันยินร้ายมากๆเข้าไปเมื่อมันยินดีมากๆเข้าไปมันก็ทาให้ร่วงศินได้มันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อได้เจริญสมาธิเข้าไปนั่นเรียกว่า เมื่อเจริญพระกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนว่าใจสงบแน่วแน่ลงไปได้อย่างนี้ใจนั่นมันจะเป็นกลางยิ่งขึ้นไปกลัวรักษาศีล น, นั่นอีกแต่มันก็ยังเป็นกลางสม่ำเสมอไปยังไม่ได้ก่อนต่อมาได้มาเจริญปัญญาบบดนี้นะนั่นเนี่ยหาอุบายมาฟอกกิจนี่ สอนจิตนี่ให้มันละความยึดถือในสิ่งที่ชั่วซะก่อนอืเมื่อเมื่อละสิ่งที่ชั่วนั้นได้แล้ววันนี้มันมาติดดีบันนี้เอา้ามาใช้ปัญญาสอนให้มันละส่วนดีวันนี้นะส่วนดีที่เป็นโลกียะอืมอย่างเช่น ความพอใจอยู่แต่ในบุญในกุศลที่ตนทํามาเช่นให้ทานก็นยินดีอยู่แค่ให้ทานรักษาศีลมาก็ยินดีอยู่ในแค่การรักษาศีลเท่านั้นแต่ถ้าที่นี่ยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่า ความยึดความถือในความดีคือบุญกุศลอันเป็นส่วนกรรมมาวจจรมันก็ไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าบุคคลมาพิสูจนตัวเองได้ว่าตนละความชั่วมาแล้ววันนี้นมาติดอยู่ในความดีดังกล่าวนั้นก็มาพิจารณาความดีนั้น ให้เห็นว่าความดีในขั้นนี้ยังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังมีเกิดปีดับอยู่ก็ไม่ควรยึดมั่นอยู่ในความดีอันนั้นตลอดไปกตใช้ปัญญาสอนใจเข้าไปแานไปยึดมั่นอยู่ในความดีเนี่ยก็หมายความว่ายึดมั่นอยู่ในขันห้านี้แหละ มันสำคัญว่าตนดีตนดีแล้วตนไม่ได้ทำชั่วอะไรอย่างนี้นะตนไม่ได้ทำชั่วอะไรด้วยกายด้วยวาจาแต่ภายในจิตใจนั้นยังขูนมัวอยู่ด้วยกิเลสส่วนละเอียดส่วนกลางอย่างนี้นะนี่แหละต้องสำรวจดู啊 เมื่อสำรวจดูก็รู้ได้พอรู้ได้อย่างนั้นความยินดีอยู่ในขันห้าอยู่ในความดีขั้นนี้มันไม่จีรังยั่งยืนถึงแม้ว่าบุญกุศลอันนี้จะนำให้ไปเกิดในสวรรค์อย่างนี้มือนก็บุญกุศลเ่านี่ยก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อเสวยผลบุญ เสวยความสุขอยู่ในสวรรค์นั้นไปไปเมื่อบุญในขั้นนั้นหมดลงไปแล้วมันก็ได้เคลื่อนจากสวรรค์นั้นไปได้หาที่เกิดใหม่เรียกว่าได้พลากจากความสุขในสวรรค์ไปเช่นนี้แหละเมื่อจเจริญปัญญาให้ละเอียดเข้าไปแล้วมันก็จะมองเห็นความสุขดังกล่าวมานี่นะ่ะไม่จีรังแย่งยืนแล้วก็ จะคลายความยินดีพอใจในความสุขอย่างว่านั้นลงใจก็เป็นอุบเบกขาแบบนี้นะนั่นะวางเฉยไม่เสียใจในเวลาได้ประสบกับความทุกข์ไม่ดีใจในเวลาได้พบกับความสุขแต่ความสุขเหล่านี้ก็ต้องมีเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ได้อาศัยความสุขอันนี้เป็นกําลังการบําเพญ็ญคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปมันก็ก้าวไปไม่ได้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเหมือนอย่างเราขึ้นบันไดถ้าไม่มีบันไดขั้นที่หนึ่งนั้นมันก็ก้าวขึ้นไม่ได้ก็ต้องเหยียบบันไดขั้นที่หนึ่งก่อน ก็จึงก้าวขึ้นขั้นที่สองที่สามต่อไปมันก็จึงจะถึงบนเรือนได้อันนี้ก็ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเราอาศัยอามิตสสุขนี่แหละแต่หากรู้เท่าไม่อาศัยด้วยความหลงด้วยความเมาเหมือนอย่างที่ว่า เรารับประทานอาหารอย่างนี้นะถ้าบุคคลผู้มีสติรับประทานก็ในขณะที่ก่อนจะรับประทานอาหารก็พิจารณาก่อนว่าอาหารนี่นะที่เราจะรับประทานนี่มันถูกกับธาตุไหมหรือมันแสลงกับโรคอย่างใดบ้างมเมื่อรู้ว่าอาหารอย่างนี้ชนิดนี้มันแสลงกับโรค ก็ไม่รับประทานมันอืมถ้ารู้ว่ามันไม่แสลงกับโรคก็รับประทานเข้าไปเมื่อรับประทานไปก็พิจารณาว่าเรารับประทานอาหารนี่ก็เพื่อที่จะบำรุงร่างกายอันนี้ให้ตั้งอยู่ได้พอได้ประกอบกุศลคุณงามความดีไปเพราะร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยอาหาร ถ้าไม่บำรุงอาหารอย่างนี้มันก็จะเหิวแห้งแตกดับไปจะไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรให้เจริญขึ้นในตนได้ไม่ใช่ว่าเรารับประทานอาหารเพื่ อ, อย่างอื่นเช่นเพื่อความสวยงามเพื่อความอ้วนพีอะไรต่างๆมือนีไม่ไม่ได้มุ่งอย่างนั้น เพื่อให้มีกำลังรีวแรงได้ประกอบกุศลคุณงามความดีเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยช น, น, ยชนผ์ผู้อื่นเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งอาหารนี่ก็เป็นของโสโครกปฏิกูลแต่มันจำเป็นเพราะร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้ด้วยของโสโครกอย่างนี้ก็จึงต้องบริโภคมนเข้าไป นี่แต่พิจารณาให้รู้เท่าทุกด้านทุกทางแล้วเรารับประทานอาหารนเข้าไปอาหารนั้นมันก็ไปบำรุงร่างกายให้มีกำลังเรียวแรงดีแบบ น, นี้แล้วก็ได้ประกอบคุณงามความดีไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยข้าขอให้เข้าใจกันเมื่อพูดถึงดวงกิดที่มันรับรู้อารมณ์ อันเป็นฝ่ายกุศลส่วนฝ่ายอากุศลนั่นละมันไปแล้วบัด น, นี้เมื่อมารับรู้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลมันก็ได้รับความสบายใจยกตัวอย่างเช่นการทำใจให้สงบเป็นสมาธิลงไปอย่างนี้นะมันก็เป็นสุขสบายและเราไม่ได้ติดอยู่ในความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นอย่างเดียว เพราะความสงบอันนี้มันเป็นแต่เพียงว่าพักจิตไว้ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อจิตมีกำลังดีแล้วฉชนีก็ทำงานต่อไปได้แก่การเจริญปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งหวังว่าจะไปยึดเอาความสงบนั้น เป็นเครื่องอยู่เลยไปถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็มันก็ไปติดอยู่ในความสุขอันเป็นส่วนโลกีเพราะว่าสมาธิในขั้นนี้มันก็ยังเป็นส่วนโลกีโยไม่ใช่โลกุตระต่อเมื่อใดได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญานั้นมาอบรมจิตอีกทีนึง ใช่ปัญญานั้นสอนจิตใจให้ละความยึดมั่นถือมั่นในความสุขความทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายสังขาร น, นี่นี่พยายามปล่อยวางเมื่อความสุขเกิดมีก็ไม่ยินดีโสมนัสเกินประมาณก็ให้ทำความรู้เท่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมา ก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะว่ามันไม่มีคนตายเมื่อเมื่อพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วขันห้าอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์สมมุติเอาทั้งหากสมมุติว่าเอาว่าคนว่าสัตว์นั่นถ้าเพิกสมมุตินันออกแล้วเพ่งดูตามความจริง มันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วมีจิตนี้เข้ามาอาศัยเมื่อจิตกระทบกับรูปร่างอันนี้เข้าไปก็เลยเกิดเป็นนมามธรรมขึ้นสีอย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณป็อย่างนั้นแลาเพ่งพี่นาดูด้วยปัญญา อย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงๆเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วเมื่อมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ไม่ยินดียินร้ายประคองจิตให้เป็นกลางอยู่ได้อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้ นี่แหละการดําเนินไปตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั่นนะมันก็ได้แก่การที่มาเจริญศินสมาธิปัญญานี่นะ่นเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปแล้วจิตนี่ก็ยิ่งเป็นกลางมากกว่านี้นะอมเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่วันไหวไปตาม เพียงแค่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเวลามีเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์อะไรกระทบ ก, กระทั่งมามันยังวันไหวไปได้อยูอ่เพราะมันยังไม่รู้เท่ามันเป็นแต่เพียงว่าเข้าไปสงบอยู่เฉยๆต่อเมื่อมาได้ใช้ปัญญาแยกแยะดูธาตุสี่ขันห้าเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาจริงๆ และอย่างนี้นะมันถึงวางได้ปล่อยได้วันนี้ ม, มันจึงจิตได้จึงสม่ำเสมอไปได้ไม่วันไหวไปตามความแปรปวนของขันห้านั่นไม่สะดุง้งไม่หวานกลัวต่อภัยต่อมรณะภัยต่อพยาธิภัยต่อชราภัยมูนี ก็จะไปกลัวอะไรเราก็เห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรขันห้าอันนี้นะมันเป็นแต่เพียงสภาวธาตมสภาวธรรมอันหนึ่งหนึ่งอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองนะอาศัยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ได้สร้างได้ทํามาแต่ก่อนนั่นอ่อ มาตกแต่งให้มารักษามาบำรุงไว้ถ้าบาปมันมาบำรุงมันมารักษามาตกแต่งให้มันก็วิบัติแหละมันเป็นไม่ไม่สมบูรณ์บกพร่องร่างกายอันนี้ถ้าบุญกุศลตกแต่งให้มันก็สมบูรณ์ ไม่วิบัติไปบกพร่องส่วนไดแต่ถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกตองจะ ต, ตกแต่งให้สมบูรณ์แต่เมื่ออาศัยมันนานไปนานไปมันก็ทำรุดไปเพราะว่าบุญมันก็หมดเป็นเหมือนอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่แหละไฟธาตุมันย่อยอาหารส่วนละเอียดเอาไปเลี้ยง ร่างกายทุกส่วนเนี่ยมันย่อยไปย่อยไปแล้วส่วนใดที่มันหยาบมันก็เป็นกากอาหารไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายแล้วอันนั้นนะมันก็มีแต่ส่วนที่มันละเอียดนั่นแหละมันซึมซาบไปในร่างกายนี่นะวันนี้เมื่อมันย่อยหมดแล้วอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็หมดลงเอนั่นแหละ เมื่อไม่มีน้ำย่อยอาหารนั่นไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้แล้วร่างกายอันนี้ก็กระวนกระวายขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็แปลผันไปแล้วร่างกายอันนี้นะถ้าไม่ได้อาหารนั่นมาหล่อเลี้ยงไว้จริงมันก็แตกดับทำลายไปร่างกายอันนี้นะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้น บุญกุศลที่บุคคลกระทาในโลกนี้มันก็มีขอบเขตจํากัดเหมือนอย่างอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปแต่ละมื้อนั่นแหละมันก็หล่อเลี้ยงร่างกายนี้มีขอบเขตจํากัดของมันเหมือนกันนะเมื่อมันหมดเขตของบุญกุศลที่มันอํานวยผลให้นั่นแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหาที่เกิดใหม่จิต ด, ดวงนี้นะ ดังนั้นแหละผู้บำเพ็ญปัญญาให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแล้วมองดูเหตุปัจจัยของชีวิตนี่เห็นแจ้งตามเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วก็จึงไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็จึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อนามต่อรูปอันนี้ นี่ทางสายกลางนะ่ะมันจะกลางได้จริงจริงก็อาศัยปัญญาบันนี่นะอืมปัญญาเนี่ยสอนจิตเรื่อยไปจิตมันก็เป็นกลางเรื่อยไปบันนี้นะืไม่ใช่ว่าเราปร่งระวางครั้งหนึ่งแล้วมันเล้วไปเลยมันยังยังไม่แล้วมันต้องโปรง่งต้องวางเรื่อยไปอย่างนั้นนะ สอนใจนี่ให้ปรงให้วางขันหานี่เรื่อยไปเพราะว่าเมื่อความรู้ความเห็นหรือที่ท่านเรียกว่ามรคนมีองแปดประการนี่นะมันยังไม่แก่กล้าพอมันยังรวมกำลังกันเป็นหนึ่งไม่ได้ที่ท่านเรียกว่ามัคคสังฆีนั้น มันก็ยังไม่สามารถที่จะละอุปทานในขันห้านี้ให้ขาดเด็ดไปได้ก่อนให้พึงเข้าใจกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสอนใจอันนี้ให้ปรงให้วางเลื้อยไปพอสอนให้ใจนี้ปรงวางแล้ววางแล้วก็ต้องหยุดคิดหยุดพิจารณาต่อไป กำหนดเอาแต่ความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งในใจนั้นประคองความรู้ความเห็นอนนั้นให้สม่ำเสมอไปอพูดสั้นๆว่านั่นแหละประคองกิจที่เป็นกลางอยู่นั่นนะให้มันเป็นกลางไปเรื่อยๆไปนั่นเป็นอุบายปล่อยวาง อุปทานในขันห้าทีนี้ถ้าหากว่ามรคนั้นยังเป็นมรคสมคียังไม่ได้จิตมันก็เป็นกลางไปในช่วระยะหนึ่งทีเมื่อมันเผลอๆตัวหน่อยหนึ่งมันก็ไม่เป็นกลางอีกแล้ว ม, มันก็เอียงไปแต่ว่าเมื่อบำเพ็ญ เพียนมากๆเข้าไปแล้วมันถึงมันจะเอียงไปมันก็ไม่รุนแรงแบนนี้นะมันก็ไปเบาๆพอรู้ตัวแล้วว่าเพ่งพิจารณาเมื่อรู้แจ้งในเรื่องนั้นชัดแล้วก็จิตก็กลับเป็นกลางคืนตามเดิมก็ไปอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ให้เพึ่งพากันเข้าใจ เราจะบำเพ็ญไปรีบเร่งเข้าไปเอาให้สำเร็จทันใจทันความต้องการอย่างนี้เมื่อเมื่อไม่สำเร็จตามเป้าหมายตามที่ความต้องการในใจนั้นแล้วก็เกิดท้อใจขึ้นมาเลยคลายความเพียรเวียนไปเป็นคนมากมากไป อย่างนั้นน่ะนับวาเป็นความเห็นผิดเห็นไม่ถูกทางสายกลางไม่ถูกทางสายกลางอันนั้นแหละท่านเรียกว่ามันเคร่งเกินไปเมื่อมันไม่บรรลุตามที่ตั้งใจไว้นั้นกลับมาหย่อนยานแบบนี้นั่นให้พึงเข้าใจ มันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้แหละการทําอย่างนั้นน่ก็เมื่อบําเพ็ญไปเราก็รู้ว่าทําความเพียรขนาดไหนมันพอดีทุกคนก็ต้องรู้ตัวเองแหละต้องรู้ถ้าเราทําความเพียรไปสํารวมในศีลไปอย่างนี้นะ อาการกายวาจาเป็นปกติไม่ค่อยเผลอสินก็ไม่ค่อยด่างพร้อยไม่ค่อยขาดอย่างนี้ก็แสดงว่ามันพอเข้ารูปเข้าร่างไปแล้วในขั้นต้นอ้าวพอก้าวไปสู่สมาธิเช่นนี้อตนก็รักษาสมาธิไว้ได้พอสมควรอยู่แต่บางทีมันก็ สมาธิมันก็ถอนไปก็มีอาพอมันรู้จักว่าสมาธิมันถอนไปก็เอาเพ่งพิจารณาเข้าไปอย่าให้มันถอนไปนานเพ่งเข้าไปให้มันสงบลงไวอย่างนี้แหละถ้าไปๆแล้วมันเผลอสมาธิถอนเอาพยายามภาคเปลี่ยนเพ่งพินิษฐเข้าไปตามกรรมวิธีที่เคยทํามา ใครเคยเจริญกรรมฐานอันใดแล้วใจมันสงบลงก็พิจารณากรรมฐานอันนั้นเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏเมื่อกรรมฐานอันนั้นปรากฏแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นสมาธิได้อแล้วก็ภาคเพียนไปอย่างนี้แหละเมื่อภาคเพียน พยายามประคองสมาธินี่ให้มันไปได้นานเท่าที่มันจะนานได้อย่างนี้นานไปสมาธิมันก็หนักแน่นเข้าไปแก่กล้าเข้าไปเท่ารดปัญญามันก็แก่กล้าเข้าไปเท่านั้นแหละว่ะเนี้เพราะว่าปัญญาก็อาศัยสมาธิมันถึงแหลมคมได้เรื่องมันนะถ้าหากว่า จิตนี่มันถอนจากสมาธิเอียงไปข้างรักข้างชังบ่อยๆเข้าไปนี่ปัญญามันก็ถอยกำลังน่ะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะปัญญามันก็อ่อนแอลงให้พึ่งพากันเข้าใจจุดบกพร่องของปัญญา เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามทําสมาธิให้มันแน่วแน่เข้าไปนี่อย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปวิจารณอะไรต่ออะไรก่อนนั่นเนี่ยพยายามทําใจให้สงบไป แ, แน่วแน่ลงไปเมื่อใจมันสงบพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยเจริญปัญญาต่อ ถ้าหากว่าเจริญปัญญาไปมากมากเกินไปมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญไปเช่นนี้ก็รู้รู้ตัวก็รู้ว่าตนนั้นมันเจริญปัญญามากเกินไปก็งดคิดงดวิจารณค้นคว้าต่า ง, างนานาไว้ก่อน มาเพ่งจิตให้เข้าสู่ความสงบมาพักจิตไว้สะกอนมันต้องอย่างนั้นอวิธีปฏิบัติทางสายกลางเนี่ยเมื่อพักจิตให้มีกำลังดีแล้วก็จบพิจารณาไปจิตมันก็ไม่ฟุ้งสัน้นเกินประมาณบนีบ้เราพิจารณาสิ่งใดมันก็ จะเห็นแจ้งอยู่ในแต่สิ่งนั้นไปมันไม่คว้าไปอย่างอื่นในเมื่อมันไม่รู้แจ้งในสิ่งนั้นตามเป็นจริงนี่ลักษณะของอปัญญาที่จเจริญไปซึ่งมีสมาธิเป็นพื้นฐานนะมันเป็นอย่างนี้เส้นอย่างพิจนารณาเรื่องความทุกข์ของชีวิตนี้อย่างนี้ มันก็เห็นเรื่องความทุกข์ของชีวิตนี่ไปโดยลำดับไปมันจะไม่เฉไปเรื่องอื่นเห็นความทุกข์ในชีวิตนี่จนเกิดดิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้แหละอย่างที่ในติลคณสูตรพระพุทธองค์แสดงไวนะ้นั่นสเบสั่งฆาราอนิจจติ ยะดาปัญญายปัตสติอัถนะนิบินดาติดุเขเอสะมภโกวิสุธิยาเ <c oughs> มื่อใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข้อนั้นเป็นความหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย หมายความว่าเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนแล้วมันก็เลยเห็นเป็นทุกไปอีกพร้อมกันแหละเพราะว่าลักษณะแห่งความไม่เที่ยงนั่นก็คือความทนอยู่ไม่ได้ทนยากทนลาบากอาการที่ทนได้ยากทนลาบากนั่ น, นท่านเรียก ว, ว่าทุก ตอนนี้มันก็เบื่อนเลอเบื่อความทนได้ยากเอ้าเช่นปวดหัวขึ้นมาอย่างนี้นะมันแสนทนลําบากในการปวดหัวนั่นนะอย่างงี้แหละปวดฟันอย่างนี้ก็โอ๊ยแสนทนลําบากในการปวดฟันปวดท้องก็เหมือนกันมันก็ทนได้ยากลําบากจริงๆ น, นี่ แต่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วถึงแม้ว่ามันจะเบื่อมันก็เบื่อไปด้วยอำนาจแห่งความหลงไปอย่างนั้นมันเบื่อแต่มันไม่ยอมละอุปทานความยึดมั่นในขันห้าคนไม่ไม่ใช้ปัญญานะขันพอมันหายเจ็บหายป่วยนั่ลงไปแล้วมันก็มายึดขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนตามเดิม อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะความเบื่อหน่ายนี่มันก็มีอยู่สองประเภทเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เหมือนอย่างผัวเมียทะเลาะกันแล้วเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันอย่าร้างกันไปชั่วงระยะหนึ่งอคันเมื่อหายกโกรธนั้นแล้วต่างคนก็เกิดคิดถึงกันมารักกันคืน ก็ไปแต่งงานกันคืนอีกอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเน่ยความเบื่อหน่ายในร่างกายสังขารอันไม่ประกอบไปด้วยปัญญานี่มันก็เป็นเช่นนั้นเองเน่เพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องเจริญปัญญาให้เกิดขึ้น แล้วพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของธาตุสี่ขันห้าอันนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วทำยังไงบะนีะ่เบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยินดียินร้ายออกไปอย่าอย่าไปยินร้ายมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปทำความเบื่อมันอยู่อย่างนั้นเพราะว่า ถึงแม้เราจะไปเบื่ออยู่ยนั่นมันก็ไม่เที่ยงอยู่นั้นนี่ย <c oughs> มันก็เป็นไปตามกฎธรรมดาของมันนะ่ะมันไม่ใช่มันจะรังงับไปเพราะความเบื่อนั้นความไม่เที่ยงอันนั้นก็ทำใจให้เป็นกลางลงไปเบื่อก็ไม่เบือ่อยินดีก็ไม่ยินดี เมื่อเวลาร่างกายนี่มันเป็นปกติก็ไม่ยินดีไม่พอใจไม่กำหนักอยู่ในขันทังห้าอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทำให้ใจนั้นบริสุทธิ์จากความรักความชังอันนี้นะที่ว่าเป็นทางให้ถึงให้สัตว์ทั้งหลายถึง ถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาได้อืเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปอันนี้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็เบื่อหน่ายในทุกข์เพราะว่า พิจารณาเห็นแล้วว่าขันดังห้านี่มันบังคับไม่ได้อืไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บป่วยไข้มันก็ไม่ฟังนั่นแหละถึงเบื่อหน่ายบ่เนี่ในทุกขเหล่านั้นตกลงว่าขันห้านี่เป็นก้อนทุกข์ทั้งก้อนเลยบ่เนีืยก็เมื่อเบื่อหน่ายในทุกก็คือเบื่อหน่ายในขันห้านั่นเองเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดี ยินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายนี่แหละเป็นหนทางให้ถึงซึ่งวิมุตต์คือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายน้อยใหญ่เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดงานรู้ว่าจิตหลดอุดพ้นแล้วจากความถือมั่น โดยประการทั้งปวงหรือว่าหลุดพ้นโดยเอกเทศก็รู้แจ้งว่าหลุดพ้นโดยเอกเทศส่วนที่ยังไม่หลุดก็มีนี่เรียกว่าผู้เจริญวิปัสสนาปัญญาเมื่อภาคเพียนพยายามไปโดยถูกทางเรียกว่า ใช่อบายปัญญาสอนจิตนี่ให้จิตนี่เป็นกลางต่อขันห้าหรือต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้แหละเลื่อยไปอย่างนี้นะนี่เป็นน้นทางแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจทางมัติมาปฏิปทาไว้เท่าที่บรรยายมานี่นะ ผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเห็นได้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันทำใจให้เป็นกลางได้จริงๆเนี่ยเมื่อสรุปลงแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้านอกจากศีลสมาธิปัญญานี่ไปแล้วมันไม่มีอนใดที่จะทำจิตให้เป็นกลางได้เลยเราต้องพี่นณาให้เห็นอย่างนั้น เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเรามก็มามั่นใจอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่นะคาิ <c oughs> ืหัดก็ปฏิบัติได้นักบวชก็ปฏิบัติดีได้ทางนั้นเลยไม่ใช่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่จะปฏิบัติได้แต่นักบวชเท่านั้นคาหัดปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้น ก็ควรพิจารณาดูเท่าทีบ่บรรยายมานี่นะถ้ามีศรัทธาแล้วมันก็ทำได้สิทำไมไม่ได้คฤรื้นฮัอย่างนี้นะถ้ามีศีลห้าเป็นพื้นฐานแล้วอย่างนี้เจริญปัญญาไปอย่างนี้ก็ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้แนะรียกว่ามรรคผลขั้นต้นนี่นะย่อมได้แน่นอนเลยนะ บางคนก็ยังบรรลุไปถึงอนัาคามีนุ่งครืหัดเนี่ยนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกบุกคคลว่าแต่ผู้ใดมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติเหล่านี้ว่าเป็นนิยานิกระรรม นำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์จากภัยไปได้จริงๆเช่นนี้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้แล้วเมื่อเราปฏิบัติให้ถูกทางดังกล่าวมานะอย่างไงยังไงก็ให้จิตให้เป็นกลางลงไปให้ได้อย่างนี้ก็มันจะเป็นทางพ้นทุกพ้นภัย ในวัตฏะสงสารได้จริงๆดังแสดงมา